แนวคิดเรื่องกรรมในมหาโพธิชาดกตอนหนึ่งเล่าว่าพระราชาแห่งรัฐหนึ่งมีอามาตย์อยู่สี่คนเป็นผู้แสดงลทัทธิต่างๆแก่พระราชาอามาตย์คนที่หนึ่งแสดงลทัทธิว่าผลทุกอย่างไม่มีเหตุอามาตย์คนที่สองแสดงลทัทธิว่าพระอีศวรคือพระเพ็นเจ้าสร้างอามาตย์คนที่สาแสดงลทัทธิว่า ทุกๆอย่างเป็นเพราะบุกรรมคือกรรมในปางก่อนอมาต์คนที่สแสดงลทัทธิว่าขาดศูนยังมีชีประขาวอีกคนหนึ่งซึ่งพระราชาเคารพนับถือปรารถนาจะโต้วาทะกับอมาต์เหล่านั้นจึงไปขอหนังวานอนจากชาวบ้านมาตากทำให้หมดกลิ่นให้เรียบร้อยดีแล้วจึงนุ่งห่มหนังวานอนและใช้เป็นผ้าพาดบ่า เข้าไปในพระอุทยานพระราชาได้ทรงทราบได้เสด็จพร้อมกับอำมาตย์ทั้งสี่ทอดพระเนตรเห็นท่านชีประขาวกำลังนั่งสนใจอยู่กับหนังวานอนจึงตรัสถามชีประขาวก็ทูลตอบว่าวานอนนี้มีอุปการะแกอัตมามากช่วยนำน้ำมาให้บ้างกวาที่ให้อยู่บ้างทําการปฏิบัติให้ต่างๆ อาตมาจะไปไหนก็ขึ้นหลังวานอนนี้ไปแต่คราวหนึ่งอาตมาเกิดมีจิตใจสามจึงกินเนื้อของวานอนนั้นน้ำหนังมาตากให้แห้งใช้นุ่งห่มตลอดถึงปูนั่งนอนเพราะคิดถึงบุญคุณว่ามีอุปการะแกอาตมามากฝ่ายอมาทั้งสี่ได้ยินดังนั้นก็พากันกล่าวเย้อหยันว่าตาชีประขาวนี้เป็นคนอกตันอยูทรยศต่อมิตรทำปณาิบาัต ฝ่ายชีประขาวจึงกล่าวโต้อมาตคนที่หนึ่งซึ่งถือลัทธิทุกทุกอย่างไม่มีเหตุว่าเมื่อผลทุกทุกอย่างไม่มีเหตุเกิดขึ้นเองความชั่วอะไรอะไรจะมีได้อย่างไรเพราะว่าตามลัทธิของท่านย่อมไม่มีเหตุที่จะทำให้ใครในโลกเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์โลกนี้เป็นไปตามคติและภาวะของตนเองแปรปรวนวิวัฒนาการไปเอง มีสุขมีทุกข์ไปเองจะทำอะไรก็ทำไปไม่จำเป็นต้องประสงค์จะทำดีหรือทำชั่วทำทาไปก็แล้วกันทำอะไรก็ทำได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะมีใครทำบาปหรือทำบุญอะไรเล่าฉะนั้นถ้าลทัทธิของท่านเป็นจริงถึงว่าอาตมาจะฆาวานอนกินเนื้อเสียอาตมาก็ไม่มีโทษไม่มีบาปอมตะคนที่หนึ่ง เมื่อถูกโตเช่นนั้นก็นั่งนิ่งชีประขาวจึงกล่าวโตวอำหมาดคนที่สองซึ่งถือลัทธิพระเป็นเจ้าว่าถ้าพระเจ้าสร้างชีวิตแก่โลกทั้งหมดเที่ยวจัดแจงให้คนนี้ทำกสิกรรมให้คนนั้นเลี้ยงโคเป็นต้นเป็นผู้สร้างความเจริญความเสื่อมความดีความชั่วทั้งปวงเป็นผู้บรดาสิ่งทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้ใครทบาบาป ก็ทเพราะพระเป็นเจ้าสั่งให้ทำพระเป็นเจ้าจึงต้องรับบาปนั้นไปเองถึงอาตมาจะฆ่าลิงหรือใครจะทำบาปอะไรอะไรก็ไม่ต้องรับบาปเพราะทำตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าตัางหากอมาดคนที่สองเมื่อถูกต้ดังกล่าวก็นิ่งไปชีพระขาวจึงกล่าวต้อมามัดคนที่สามซึ่งถือลัทธิกรรมในปางก่อนว่า ถ้าใครๆพากันถึงสุขทุกเพราะกรรมในปางก่อนเป็นเหตุเท่านั้นแล้วใครๆที่ต้องได้รับทุก์ในบัดนี้เช่นถูกเขาข่าถูกเขาลักขโมยทรัพย์ถูกเขาเปลี่ยนเบี้ยนต่างๆก็เพราะกรรมในปางก่อนของตอนเองเหมือนอย่างกู้หนี้เขามาแล้วก็ใช้หนี้เขาไปฉะนั้นถ้าลทัทธิของท่านเป็นจริงวานอ น, นี้ก็คงเคยฆ่าอัตมามาแล้วในชาติปางก่อน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 และอาจอ้างเอาบุญคุณเสียอีกก็ได้ว่าช่วยฆ่าเขาเป็นการช่วยเปลื้องนี้กรรมให้แก่เขาอำมาิตคนที่สามเมื่อถูกโต้เช่นนี้ก็นิ่งไปชีประเขาจึงกล่าวโต้อำมาิตคนที่สซึ่งถือละที่ขาดศูนย์ว่าใครใครขาดศูนย์สีหมดคือตายศูนย์ไปเลยไม่ต้องเกิดอีกจะทำอะไรก็มุ่งประโยชน์เดี๋ยวนี้เท่านั้นแม้ว่าจะต้องทามาตุคาดปิตุคาด เพื่อประโยชน์ของตนก็ทำได้ไม่มีภายหน้าที่จะต้องรับผลฉะนั้นทาะทิกของท่านดังกล่าวเป็นจริงแม้ว่าอัตมาจะฆ่าวานอนก็ไม่มีบาปอะไรที่จะต้องไปรับตัวเราเองก็ขาดศูนย์บาปและสิ่งทั้งหลายก็ขาดศูนย์ไปเช่นกันอมัตคนที่สเมื่อถูกโต้ดังนี้จึงเงียบไปชีประขาวที่ท่านกล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์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 มักจะเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องของการมเป็นเรื่องอดีตคือล่วงมาแล้วในปัจจุบันเรามักมีหน้าที่ปล่อยตนให้เป็นไปตามกรรมที่เรียกกันว่ายะถากรรมเท่านั้นจึงไม่คิดจะทำอะไรถ้าเห็นดังนี้เป็นความเห็นผิดดังลัทธิของอมตะที่ถือว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นเพราะกรรมปางก่อนคือปุเพกตะเหตุดังกล่าวแล้ว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 ให้ละกรรมที่ชั่วทำกรรมที่ดีกรรปัจจุบันนี้แหละเป็นข้อสําคัญแห่งชีวิตของทุกๆคนคือการที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้ถ้อยคําที่เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องที่เราคิดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอยตรวจดูให้ตัวเราเองทําพูดคิดแต่ในทางที่ถูกก็ให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนเดียวเท่านั้น อย่าเอาเรื่องกรรมเก่ามาเป็นเครื่องตัดรอนคุณประโยชน์มาทําให้นอนรอโชคลาภตรงนี้มีเรื่องเล่าเป็นคดีไว้ว่ามีชายสองคนไปหาหมอดูหมอทํานายชายคนหนึ่งว่าจะได้สเสวยตฉชัดทานายอีกคนหนึ่งว่าจะลําบากชายคนที่ได้รับทํานายจะได้สเสวยตฉัตดก็ดีใจนั่งรอไม่ทํามาหากินอะไรแต่ที่สุด ก็สิ้นทรัพย์สมบัติไปนอนเจ็บอยู่อย่างอนาที่ป่ากลางทุ่งมีพระธุดงเดินผ่านมาพบเข้ามีจิตสงสารจึงเอากรดไปปักให้ชายผู้นั้นก็สิ้นใจในกลดของพระธุดงก็ได้สเสวตาชัดนั่นเหมือนกันพระคำว่าสเสวตาชัดแปลว่าร่มขาวกลดของพระธุดงก็เป็นร่มขาวชนิดหนึ่งส่วนชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับคาทานายว่า จะลำบากเกิดความกลัวลำบากจึงตั้งหน้าขวนขวายภาคเพียนทำมาหากินเก็บออมทรัพย์สินอยู่เรื่อยๆจึงมีหลักฐานเป็นสุขสบายขึ้นโดยลําดับแต่ก็ลําบากมา ก, ก่อนเป็นอันมากเรื่องนี้เป็นคติสอนใจว่าหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือทํากรรมปัจจุบันนี้แหละให้ดียิ่งๆขึ้นไปแลเพราะเหตุไรจึงไม่เชื่อเรื่องกรรม ในจิตใจที่มีสามัญสำนึกของทุกๆคนจะมีความรู้สึกว่ามีความดีความชั่วมีผลของความดีความชั่วและผู้ทานั้นเองเป็นผู้มีความดีความชั่วติดตัวอยู่เพราะใครทำกรรมอันใดกรรมนั้นย่อมจารึกอยู่ในจิตใจและผู้ทำนั้นเองต้องเป็นผู้รับผลคือรับผิดชอบต่อการกระทำของตนความพิสดารในเรื่องนี้ได้แสดงแล้ว แต่การที่คนไม่น้อยยังไม่มีความเชื่อตั้งมั่นลงไปในกรรมตามหลักที่กล่าวซึ่งรวบรัดโดยย่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เพราะเหตุสองประการคือ 1. ความลำเอียงเข้ากับตนเองหรือถือเอาแต่ใจตน 2. ไม่เห็นผลสนองที่สะสมทันตาทันใจความลำเอียงเข้ากับตนเองนั้น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 ถ้าใครมาทำเข้าเราก็ต้องว่าเขาไม่ดีถึงเราจะไปยั่วให้เขาโกรธเมื่อเขาโกรธขึ้นมาทาร้ายร่างกายเราเราก็ยังว่าเขาไม่ดีอยู่นั่นเอง ก, การกระทำอย่างเดียวกันจะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างไรได้เหมือนอย่างการทําร้ายร่างกายการลักทรัพย์เมื่อเราทำแก่เขาได้ก็เป็นดีแต่ถ้าเขาทำกับเราเป็นไม่ดี จะเป็นดังนี้หาถูกต้องไหมเพราะเป็นการที่เราพูดเอาเองอย่างไม่ยุติธรรมการลาเอียงเข้ากับตนเองข้อนี้แหละเป็นเหตุสาคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเป็นอันมากยังประกอบกรรมชั่วเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งจะมีกรรมมัศดาอยู่อย่างผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีอยู่ทั่ ว, วไปก็ตาม เมื่อความมุ่งจะได้คือโลภะความโกรธแค้นขัดเคืองคือโทสะความหลงผิดคือโมหะมีกําลังแรงกล้ากว่ากําลังศรัทธาควรก็ประกอบกรำรที่ชั่วได้สุดแต่ใจที่อยากได้ที่โกรธที่หลงจะจุดชักนาไปที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้สึกสำนึกในความดีชั่วก็มีความรู้สึกสานึกรู้เหมือนกัน แต่ไม่มีกำลังใจในฝ่ายสูงที่จะห้ามกำลังใจในฝ่ายต่ำจึงยับยั้งตนเองไว้ไม่ได้ไมีคนเป็นอันมากเมื่อทำไปแล้วเกิดเสียใจในภายหลังดังเช่นเมื่อทำอะไรลงไปในขณะที่อยากได้หรือรักชอบอย่างจัดในขณะที่โกรธจัดในขณะที่หลงจัดอย่างที่เรียกว่าหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือในขณะที่กาลังเมาสุราอันเรียกได้ว่า หลงเหมือนกันครั้นเมื่อสั่งรักสั่งชังสั่งหลงสั่งเมาแล้วก็กลับเสียใจในกรรมที่ตนได้ประกอบแล้วในขณะที่ใจวิปริตเช่นนั้นบางทีทำให้เป็นรอยแผลจารึกอยู่ในจิตใจคอยสะกิดใจให้เจ็บช้าเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลานานทำให้เกิดความเกลียดตนเองหรือรังเกียจตนเองจนถึงต้องหลบหน้าเพื่อนฝูงไม่สหายไปก็มี แต่ถึงจะหลบหน้าคนอื่นเป็นส่วนมากได้แต่หลบหน้าตนเองไม่พ้นเมื่อเกิดความเกลียดหรือรังเกียจตนเองขึ้นมาจนไม่สามารถจะทนอยู่ในโลกได้ต้องพยายามทำลายตนเองไปก็มีฉะนั้นเมื่อเกิดแผลในใจขึ้นก็มักเป็นชนิดโรคเรื้อรังที่รักษาหายยากสู้ป้องกันไม่ให้มีขึ้นไว้ก่อนไม่ได้ทั้งนี้ ด้วยวิธีปลูกกรรมศัทธาคือความเชื่อกรรมนี้แหละให้ตั้งมั่นขึ้นในใจให้มีเป็นกำลังใจจนพอที่จะเชื่อใจได้ว่าจะไม่ประกอบกรรมที่ชั่วที่ผิดอะไรๆถ้ายังคลางแคลงสงสัยไม่เชื่อใจตนเองว่าจะยับยั้งใจไว้ได้ก็ต้องเว้นจากสิ่งยั่วยุเยาแย่ต่างๆฉะนั้นทางบิดามารดาหรือผู้ปกครอง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 ทำให้รู้จักเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อว่ามีถูกมีผิดมีเหตุผลซึ่งเมื่อเป็นความผิดแล้วตัวเราเองทำก็ผิดคนอื่นทำก็ผิดเมื่อเป็นความถูกแล้วตัวเราเองทำก็ถูกคนอื่นทำก็ถูกข้อนี้แหละเป็นกรรมสัตยาที่ผู้ใหญ่สมควรปลูกฝังให้แก่เด็กมาตั้งแต่ตน้น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 การเบียดเบียนเขาให้ลำบากทำให้มีโรคมากการไม่เบียดเบียนเขาให้ลำบากทำให้มีโรคน้อยความมักโกรธหุนขันขึงเคียดคับแค้นขัดเคืองกระเงากระงอดทำาห้ผิวพันธ์เศร้าหมองไม่งดงามความไม่มักโกรธเครียดแค้นทำให้ผิวพันธ์ผ่องใสงดงามความมักริษยาผู้อื่นทำให้มีสักต่ำต้อยน้อยหน้า ความไม่ริษยาทาให้มีศักดิ์สูงใหญ่ความไม่เผเเื่อแผ่เจือจานทาให้มีโพคสมบัติน้อยความเผื่อแผ่เจือจานทาให้มีโพคสมบัติมากความแข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่านทาให้เกิดในสกุลต่าความไม่แข็งกระด้างถือตัวดูหมิ่นท่านมีความอ่อนน้อมคารวะนับถือผู้ที่ควรอ่อนน้อมนับถือทำให้เกิดในสกุลสูง ความไม่เข้าหานักปราศหรือผู้รู้ศึกษาไต่ถามถําให้มีปัญญาสการเข้าหานักปราศหรือผู้รู้ศึกษาไต่ถามถ้าไม่มีปัญญามากผลที่สะสมกันของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นตัวอย่างดังกลมานี้เป็นผลของกรรมเก่าคือกรรมที่ทำไว้แล้วในอดีตการส่วนกรรมใหม่คือกรรมที่ทำในปัจจุบันนี้ ท่านแสดงว่าจากให้ผลในชาติปัจจุบันเหมือนอย่างในวันนี้ในเดือนนี้ในปีนี้ก็มีจากให้ผลในชาติหน้าเหมือนอย่างในวันพรุ่งนี้ในเดือนหน้าในปีหน้าก็มีจากให้ผลในชาติต่อๆไปเหมือนอย่างในวันมรืนนี้หรือในเดือนน้นในปีโน้นเป็นต้นก็มีฉะนั้นการให้ผลของกรรมจึงเกี่ยวแก่การเวลาเป็นสำคัญ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 การให้ผลของกรรมแม้ในเรื่องกรรมให้ผลท่านก็แสดงว่าเกี่ยวแก่สถานการณ์4อย่างคือ 1. คติ 2. อัตภาพ 3. กาลสมัย 4. การประกอบกรรม 1. คติคือที่ไปแสดงในปัจจุบันคือไปทุกๆแห่งจะไปเที่ยว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 แต่ไปทะเลถลายเสียที่อื่นอย่างนี้เรียกว่ามีคติที่ไปไม่ดีความดีเท่าที่ทําไว้คือเรียนมาจนจบมัธยม6ในต่างจังหวัดก็ไม่ส่งเสริมให้เจริญวิทยฐานะขึ้นต่อไปส่วนนักเรียนที่เรียนมาไม่สู้ดีไม่จบถึงชั้นไหนแต่เกิดความตั้งใจดีไปพักอาศัยอยู่ในที่ที่ดีและไปเรียนกวดวิชาอย่างจริงจัง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 ได้ในคำว่ามืดมาสว่างไปถ้าทางเก่าก็ไม่ดีทางใหม่ก็ไม่ดีได้ในคำว่ามืดมามืดไปก็เป็นอันเอาดีไม่ได้เลยส่วนคนที่ทำความดีมาแล้วเรียกว่าเดินทางถูกแล้วแต่ต่อมากลับไปเดินทางผิดกรรมดีที่ทำไว้ก็อาจจะยังไม่ให้ผลได้ในคำว่าสว่างมามืดไป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 ให้ถือว่าเป็นอันแล้วไปหรือให้ถือว่าเป็นบทเรียนถ้าเดินทางดีมาแล้วก็จงเดินทางดีนั้นต่อไปถ้าทางเดินที่เดินมาแล้วไม่ดีก็เปลี่ยนทางใหม่เลือกเดินไปในทางที่ดีนับ ว, ว่าเป็นผู้ที่กลับตัวได้เข้าในคำว่ามืดมาสว่างไปพระพุทธเจ้าโปรดปราณบุคคลเช่นนี้ดังเช่นองคุริมานโจรเป็นตัวอย่าง